แปลว่าทำเหนือโลกมีท่านแยกออกมาพูดสิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันทำเหนือโลกนั้นคือใจถ้าเราอยากจะทราบว่าโลกุตตรธรมโลกุตตรธรธรมเคยทำเหนือโลกเป็นอย่างไรก็ต้องหมายถึงใจผู้ปฏิบัติตน ในสัมผัสสัมพันธ์กับทาขั้นนั้นๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงวิมุตตหลุดพ้นภายในจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมหมดภายใน ใ, นใจทาทุกขั้นนั่นท่านว่าโลกุธรธตระจิตโลกุตระธรธรมเต็มภูมิของจิตของธรรมเป็นเครื่องยืนดันกันได้ที่ใจหากใจยังไม่สัมผัสเมื่อไรแม้คำว่า โลกุตะธรรมหรืว่าทำเหนือโลกทำเหนือโลกก็สักแต่ความจำความคาดความหมายฮบความแน่ใจยังไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้จริงที่จะยืนยันกันจึงเป็นเรื่องของการปฏิบัติด้วยจิตภาวนาเป็นสำคัญเมื่อจิตได้สัมผัสสัมพันธ์ทำขั้นใดเข้าไปย่อมทราบได้ชัดเจนชัดเจนความพิสดารของจิต กับธรรมที่สัมผัสกันนั้นพิจรารณาเอามากทีเดียวดังที่พ่อแม่ครูอาจารย์มัน่นท่านแสดงไว้ตามปัญหาที่ได้เคยออกมาแล้วนั้นว่าธรรมที่จะจดใจในกมปีบวลา น, นั้นเท่ากับน้าในตุ่มในไหงแต่ธรรมที่ไม่ได้จดใจลึกมีอยู่โดยหลับธรรมชาตินั้นเท่ากับท้องฟ้ามหาสมุทร สุดสาครหาประมาณไม่ได้เลยนี่เป็นอย่างนั้นอันนี้ใครจะเป็นผู้ยืนยันก็ท่านเป็นผู้แสดงออกมาก็คือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนั่นเองจิตของท่านนั่นเองแต่ผู้ยืนยันเป็นผู้สัมผัสเป็นผู้รับทราบธรรมทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ได้คํานึงถึงพระไกรปิฎกไม่พระไกรปิฎกใดๆทั้งนั้นเนื่องจากความจริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับคําว่าพระไกรปิฎกนี แต่ขึ้นอยู่ระหว่างจิตกับธรรมที่เหมาะสมกันซึ่งจุควรเกิดขึ้นได้ในแน่ใดๆเท่านั้นเป็นสําคัญมากยิ่งกว่า อ, อันใดเพราะฉะนั้นจริงไม่มีสิ่งใดมากีดกันหรือจีดขวางระหว่างธรรมกับจิตไม่ให้สัมผัสกันได้เลยขอให้ปฏิบัติถึงขั้นที่ควรจะทราบเรื่องธรรมทั้งหลายเถิดต้องทราบได้อย่างนั้นแน่นอนแล้วก็ทราบตามภูมินิสัยด้วยคือภูมินิสัยจะกว้างแคบขนาดไหน ก็ต้องรู้เห็นทำเต็มภูมิเต็มภูมิเต็มภูมิของตนยกตัวอย่างเช่นพระสารีบุตรยกรเว้นพระพุทธเจ้าเสียพระสารีบุตรเป็นผู้เฉลียวฉลาดทางด้านปัญญาหรือท่านผู้ที่บรรลุจตุปฏิสัมพิทายานนี่ท่านเหล่านี้แตกฐานมากทีเดียวหมายถึงธรรมเกิดนั่นเองทําใไม่เกิดอะไรมาแตกฐานคือแตกเกิดอยู่ตลอดเวลา ยัดมานิดเดียวเท่านั้นสิ่งที่เป็นเหตุจะให้คิดให้อ่านหรือจะให้ทําเกิดนั้นแต่ทําเกิดขึ้นเรื่อยๆม <c oughs> <c oughs> ีต่างกันอย่างนี้วิสัยของกิจ จ, จึงจะมากแข่งขันกันไม่ได้เช่นเดียวกับภูมิวิสัยวาสนานัเ น, นี่ยภูมิของกิจของธรรมที่จะรู้ทำรร ม, มากน้อยตามวิสัยวาสนาของตนก็ย่อมเป็นเช่นนั้น จะไม่ว่าจะไอเดียบทใดเกิดอยู่อย่างนั้นตลอดมีอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดก็เกิดไม่มีอะไรเป็นสาเหตุก็เกิดเกิดโดยลําพังตนหรือไม่มีขอบเขดไม่มีอะไรที่จะมาบีบบังคับไม่ให้เกิดเพราะนอกเหนือไปจากโลกสมมุตินี้ทั้งพวงแล้วจิตเป็นอิสระเต็มที่แล้วเป็นบอ่อเกิดอย่างธรรมทั้งหลายอยู่แล้วทําไมธรรมจะไม่เกิด กิจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วนี่แหละถ้าไปพูดถึงพระไกรปีฎกก็คืนนี้แหละพระไกรปีฎกโดยแท้แม้ท่านไปจดจารึกออกว่าเป็นสุนตันตะปีฎกขวินายปีฎกพ่อพิธามปีฎกเอ้ไปจากไหนถ้าไม่ออกไปจากหัวใจที่บรรจุพระไกรปีฎกทั้งสามน่เต็มไหมโดยสมบูรณ์แล้วเอาอะไรไปออกเป็นปีฎกนั้นๆปีฎกก็แปลว่าตะฆ้านั่นเองแปลว่าภาชนะ ไตรก็แปลว่าสามภาชนะสำหรับใส่หลักธรรมสามประเภทได้แก่ชูตันตะคือหมายถึงพระสูต ร, ระวีไนพ่าอภิธรรมนึงว่าปีดกสามแปลว่าตะกรา้าหรือภาชนะสำหรับใส่อย่างนี้ออกไปจากไหนที่ออกไปว่า พระสุตตันตปีดกพระวินัยปิดกพระอภิธรรมปิดกถ้าไม่ออกไปจากใจดวงที่บรรจุปิดกทั้งสามนี่มาอย่างสมบูรณ์แล้วเอาอะไรไปออกพระพุทธเจ้าตัดสู้ทำไปตัดสู้ที่ปิดกไหนไม่ไปตัดสู้ในพระไทยจะไปตัดรู้ที่ไหนในพระไทยนี้เนี่ยที่เป็นที่อยู่แห่งอริยสัต์ทั้งสี่อยู่ตรงนี้ผิดกันขึ้นตรงนี้ทุกสมุทัยเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งอันเป็นข้าศึก ฝ่ายลบปูน ง, ง่ายฝ่ายทำลายสมุทัยเป็นสาเหตุให้เกิดของทุกข์ขึ้นมามากท่านว่าศีลสมาธิปัญญาท่สรุปลง ม, มาว่าศีลสมาธิปัญญามีศีลสมาธิปัญญาเป็นสําคัญนี่คือสิีลสังหาริ่งทําลายสมุทยัยเพื่อให้ดับลงไปแล้วปรากฏเป็นนิโรธขึ้นมานั่นเมื่อที่เลส ประเภททั้งปวงที่เรียกว่าสมุ ท, ทยัยสมุทัยได้สิ้นซากลงไปหมดแล้วไม่มีอะไรกีดกันไม่มีอะไรกีดขวางจิตใจไม่มีอะไรมาแย่งเกิดภายในจิตใจแต่ก่อนมีแต่เรื่องของสมุ ท, ทยัยเกิดภายในจิตใจเกิดอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับธรรมเกิดนั่นแหละในเวลาที่สิ่งเหล่านี้มีอํานาจมีกําลังมากเกิดอยู่ตลอดเวลาหาอิยาบทไม่ได้ ไม่สิ่งที่ไม่น่าคิดก็คิดสิ่งไม่น่าปรุงก็ปรุงสิ่งที่ไม่รู้มันก็ลูกมันไปตามเรื่องตามราวรูปแบบสมุทัยนะไม่ใช่รู้แบบธรรมไม่ชุ่ไม่ใช่รู้แบบมากหรือรูปแบบธรรมเปนไงเห็นสัตจสัจธร ร, รมเช่นมรรคสัจหรือนิโรธสัจเรียกว่าธรรมประเภทหากรู้ไปตามแถวของสมุ ท, ทยัยเป็นทุกข์ขึ้นมาลูกขึ้นมา เอาป้อนเอาทุกออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยเพราะสมุทัยเป็นผู้ขุก ผ, ผู้ค้นให้ก่อทุกข์ขึ้นมามันเกิดอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นจิตใจของสามัญชนทั้งหลายพ้นไปไม่ได้แม้แต่เราขณะเรานั่งภาวนายังยับมันยังเอาไปได้สบายๆเอาไปกินสบายสมยเอาไปกินต่อหน้าต่อตามันกินนั่งร้องห่มร้องไห้ก็ยังเป็นไปได้นี่น้ําตาไหลน้าตาร่วงเป็นไปได้เพราะคําอํานาจสติปัญญาของเราซึ่งเป็นฝ่าย ทำนี้สู้มันไม่ได้มันเอามาไปกินต่อหน้าต่อตาบีบบังคับเราต่อหน้าต่อตาถ้าพูดถึงในบทนี้แล้วรู้สึกว่ามันเครียดมันแค้นผมเองเป็นเช่นนั้นนะมันเคยเครียดแค้นต่อกันมันนั่งน้ําตาล่วงอยู่ก็มีเพราะอํานาจของอันนี้มันมันมากมันเหนือธรรมของเราเช่นวิริยะธรรมสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสาคัญ ไม่ทันมันเลยมันเอาต่อหน้าต่อตาสติมีก็ตามแต่กําลังของสติมันไม่พอกับกําลังของมันปัญญามีก็จริงแต่กําลังของปัญญาไม่เท่ากําลังของมันมันก็ฉุดก็ลากบีบบังคับเอาต่อหน้าต่อตาเพื่อพละการนั่นเองนี่แหละที่มันน่าเกลียดน่าแค้นจริงๆและเกลียดไม่ลืมแค้นไม่ลืมก็คือเรื่องเ ร, ระหว่างทุกสมุทัยกับเปล่า นี่นี่เวลามันเกิดมันเกิดอย่างนั้นภายในจิตเราจะไปหาดูแบบดูแผนดูตำหรับตำราที่ไหนจะมีไหมท่านจดจารลึกไว้ไหมจริงกรนี้ท่านพูดไว้ไหมาอย่างนี้มาเกิดอยู่ที่ไหนกันหมดหลักธรรมชาติเป็นเช่นนี้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบพระพุทธเจ้าพระอาราหันต์ทั้งหลายเท่านั้นจะทราบเรื่องเหล่านี้ได้ดีแต่ผู้จดจารลึกเราก็ไม่แน่ใจนะักแต่เราไม่ประมาทนะ ว่าจะเป็นพระประเภทใดคนประเภทใดไปจดจำดึกจึงจะสามารถเอาเรื่องเหล่านี้ออกมาได้ทุกแง่ทุกมุมทุกกิทุกกีของทุกของสมุไทยของมัดของนิโรธถ้าว่าผู้ที่จดจำดึกเป็นพระราษฎรแล้วไม่ต้องสงสัยจะขุดจะค้นได้มาทุกแง่ทุกมุมของสมุไทยที่เกิดขึ้นภายในจิต รอบกิจมันเกิดตั้งแต่เรื่องเป็นเรื่องของสมุทัยทั้งนั้นผู้ที่จดจะลึกจะเอามาได้หมดแล้วก็รอบกิจเวลามรรคกับนิโรธมีอำนาจปราบสมุทัยได้และได้จนสิ้นโดยสิ้นเชิงแล้วอยู่ที่ไหนก็เกิดทำก็เกิดเกิดตลอดเวลาเริ่มมาตั้งแต่ภาวนามายปัญญาเกิดมันนี่ก็จะเอามาออกมาออกม า, ออกมาได้หมดเลยท่านก็พูดกลางๆไว้เดี๋ยวภาวนามายปัญญานี่เท่านั้นแหลพะพ็ตีความหมายไปหมด เราก็ควรจะพิจารณาให้ได้รู้เรื่องรู้ราวแต่ยังไงก็ตามไม่พ้นที่ว่านี่การจดจารึกเป็นสําคัญมากผู้จดจารึกเป็นคนประเภทใดนะเรื่องทำรรทั้งหมดนี้มีล้วนแล้วถึงจะเป็นธรรมวิสุทธิธรรมทั้งนั้นออกจากพระไทยของพระเจ้าที่บริสุทธิ์นะหรือจะกล่าวถึงเรื่องพระอาหารหันต์องค์ใดพระอาหารหันต์องค์นั้นก็เป็น ภบอาหารแล้วนี่เป็นเรื่องบริสุทธิ์ทั้งนั้นแต่ผู้ที่จดจะลึกเป็นคนประเภทใดเป็นผู้บริสุทธิ์เหมือนกันหรือไม่ถ้าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วสามารถจะถอดถอนออกมาได้แล้ว อ, อยากจะพูดเต็มปากว่าได้โดยสิ้นเชิงที่ไม่รู้ก็ตามมันเกี่ยวโยง ก, ก, กันกับธรรมชาติที่เรารู้เัาเห็นอยู่ภายในจิตใจของเราเพรา ะ, ะนั้นจึงขุดค้นออกมาได้หมดมันเกี่ยวโยงกันที่ตรงไหนกระเทือนเป็นไปนหมดได้ออกมาหมดเลย ถ้ า, วาฮวาจิตไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้วก็จะได้ออกมาจากความจําำลอยๆไปไม่ได้ถึงเหตุถึงผลถึงพิกถึงขิงถึงความตัดความจริงทั้งฝ่ายสมุทยัยทั้งฝ่ายมาร์ทั้งฝ่ายนิโรธตลอดถึงสิ่งที่หลุดพ้นจากสัจธรรมทั้งสี่ออกมาเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงนั้นคืออะไรจะไม่ได้สิ่งนี้มาพูดอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยนี่ถ้าเป็นปัญหาแล้วได้หมดนั่นไม่ต้องบอกไว้ก็ตาม พระพุทธเจ้าไม่บอกก็ต า, ามยกตัวอย่างเช่นมรสีผลสีนิพานหนึ่งอันนี้เป็นต้นนะมรสีผลสีใครก็รู้ไม่ใช่เหลืออย่างโซดาปฏิมรโสโซดาปฏิผลจงกระทั้งถึงอาหารบัณฑมตถ า, า, าผลแล้วนิพานหนึ่งพูดทํำไมนั่นนี่มันเกี่ยวโยงกันเมื่อมรสีผลสีไปถึงนั้นแล้วอะไรที่เป็นที่สิ้นสุดลงไปจากสิ่งที่ยังเป็นสมมุติอยู่นี่กิริยาอาการเหล่านี้ยังต่อเนื่องกัน อยู่ยังไม่หยุดกิริยายัางเป็นสมมุติอยู่เมื่อถึงขณะที่หยุดกิริยาแล้วคืออะไรคือนิพพานหนึ่งนั่นมันเป็นยังไงถึงจะพูดไม่ได้เนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้รับสั่งไว้ว่านิพพานหนึ่งแล้วยังไงพระพุทธเจ้าต้องถูกอายเขาเรียกถูกติงหรือถูกคัดค้านจากพระพุทธเจ้าว่าทําไมอันหนึ่งพระองค์จะไม่แสดงเอาไว้น่ะเพราะรู้เหมือนกันเห็นเหมือนกันถึงไม่บอกก็ตามจะต้องพูดถึงจุดที่ควรจะบอก พูด ถ, ถึงจุดที่เด่นอยู่ในหัวใจคือนิพพานหนึ่งเมื่อสิ้นไปจาก อ, อาการทั้งมรสีผลสีนี้แล้วนั่นอันนิพพานหนึ่งเป็นที่ยุติหมดสมมติแล้วในระหว่างมรรคผลยิ่งถึงกันยิ่งถึงกันนี้ยังเป็นกิริยายังเป็นกิริยายงยางจะเอาที่ยุติไม่ได้เป็นที่ยุติไม่ได้มรรคผลยิ่งถึงกันถึงกันเช่นอย่างอารหัรรร น, น, นตมรรคผลจริมขจิตนัท่านว่าไว้ในใในนตำราว่าไว้แล้วก็จําไม่ได้เราไม่รู้จริมขจิตคืออะไรนนะัชั่วขณะของจิตที่พลิก ยังมากไปถึงผลปับ๊บนะกิริยาแห่งการที่แสดงต่อกันอยู่ในขณะนั้นถึงผลก็ตามแต่กิริยานี้ยังไม่หยุดยัง ย, ย, ย, ยังเป็นสมมุดพอผลพอถึงผลโดยสมบูรณ์แล้วหยุดกึศลงไปนั่นแหละนิพพา น, นในขณะเดียวกันนั่นแหละพอพอหยุดกึกก็เป็นนิพพานหนึ่งขึ้นมาอันนั้นพระพุทธเจ้าทำไมไม่แสดงไว้นะจะต้องถูกการทา น, นี่คือต่างองค์ต่างจริงต่างองค์ต่างรู้เห็นจริงด้วยกันแล้วจะเป็นอย่าง น, นั้นโดยกันทุกอกค้านกันไม่ได้บรรดาพระหรหันทั้งหลายนี่แหละคาบัฟ ผู้ที่ยอมบบรับพระพุทธเจ้าพระทหารยอมบบรับพระพุทธเจ้า100 100ร้อยเปอร์เซนาเ็พระพุทธเจ้าเป็นศาสนาเอกจริงไหมนี่ศนาะ ส, สนาของพระพุทธเจ้านี่มีเจ้าของจริงไหมมีตัวมีตนจริงไหมจะไม่ไม่ยอมอยรับยังไงก็หลักศัจธรรมเป็นเครื่องประกาศจังหวะถึงความเป็นพระพุทธเจ้าและความเป็นผู้บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเกิดจากศัจธรรมและทําทั้งนี้ออกมาจากความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นทําไมจะพระไมจะไม่เชือ่อนี่สิหลักใหญ่นี่เราพูดถึงเรื่อง อริยาศาสตร์เช่นสมุทัยศาสตร์ทุกาศาสตร์เวลามันเกิดมันเกิดรอบหัวใจอีกตลอดเวลาไม่มีในนคมภี์ที่ไหนก็ตามหลักธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นแต่พอมรรคศาสตริย์ก้าวไปก้าวไปเอาจะล้มลู ก, ก, กคลานก็ตามเถอดยังไงก็ไม่พ้นที่จะเอาให้ได้เมื่อฟิตไม่ถอยฝึกซ้อมไม่ถอยไม่ถอยแล้วเดี๋ยวก็ก้าวขึ้นไปก้าวขึ้นไปหุืท้ายก็เรื่องของมรรคศาสตร์ก็ทํางานบนหัวใจ ทางทุกข์กษัตริย์สมุทัยกษัตริย์์อ่อนตัวลงไปอ่อนตัวลงไปมารกษัตริย์ก็ทํางานก้าวหน้าก้าวหน้ า, นาเป็นสวัสดสมาธิกกับปัญญาก็กลมกลืนไปแล้วที่แรกนี่จะสมาธิก่อนอุปจารสมาธิหรือคณิกสมาธิอัปปนาสมาธิต่อไปกีแต่นั้นก็ปัญญาตุลนาอิบัชนาปัญญาอ่อนอ่อนแตะนั้นก็ แต่ก็สามารถขึ้นไปเป็นไปจนกลายเป็น <c oughs> ภาวนามายะปัญญาทีนี้เอาละในหัวใจดวงนั้นมีแต่ทำทั้งนั้นก้าวเดินมีแต่ทำทั้งนั้นเกิดมีแต่ทำทั้งนั้นทํางานนกิเลสน้อยลงไปน้อยลงไปจนกระทั่งถึงกิเลสจะหาที่ทํางานมาได้โถตัวออกมาไม่ได้โถออมาเป็นงานสัจธรรมที่ต้องฟันแหลกฟันแหลกฟันแหลกนั่นถึงเวลาแล้วทีนี้พอกิเลสทั้งหลาย อา้ามีอวิชชาเป็นต้นได้มอดไวลงไปจากใจแล้วอะไรจะเกิดทีนี่มีแต่ทํารุ่นรุ่นใดดวงนั้นเป็นธรรมตั้งดูเป็นธรรมตั้งแท่งแล้วมีแต่ธรรมทางนั้นเกิดกิเลสเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันหมดแล้วในเวลาที่นี่ที่ว่าธรรมเกิดไม่เพียงแต่ว่าได้ฆิกิเลสหมดไปแล้วธรรมจะยุติในการเกิดเกิดตลอดจนกระทั่งถึงวันท่านนี้ผ่านเกิดไม่มีกําหนดกฎเกณฑ์ นั่นเอาที่ท่องฟ้ามหาสมุทรเทียบกันได้ไม่เทียบได้ยังไเกิดยุทธวิลาวใจจึงเป็นสิ่งที่สัมผัสสัมพันธสอันสำคัญเป็นเครื่องยืนยันว่าโลกุตละธรรมเป็นอย่างไรเพียงแต่เราพูดว่าโลกุตละธรรมอะทำเหนือโลกเหนือโลกมันไม่ทราบแล้วว่าเหนือแค่ไหนถ้าใจก็เป็นผู้เป็นผู้ยืนยันใจเป็นผู้รับทราบใจเป็นผู้สัมผัสโลกุตละธรรมตั้งแต่พระโสดาขึ้นไปท่านก็บอกโลกุตละรรเริ่มเหนือโลกไปแล้วนี่ โลกุตละธรรมเหมือนกันพระโสดาขึ้นไปนั่นเรียกว่าโลกุตละธรรมจนกระทั่งถึงอรหัตตะบุคคลเป็นโลกุตละบุคคลเป็นโลกุตละธรรมนั่นนั่นหลักเก้าเป็นไปเก้าเป็นไปมีใจเท่านั้นเป็นเครื่องยืนยันไม่มีอะไรเป็นเครื่องยืนยันได้พอใจรู้เท่านั้นจะทราบได้ตลอดทั่วถึงหมดว่าโลกรธรรมเป็นอย่างไรเหมือนกับโลกไมายมันจะเหมือนยังไงถ้าเหมือนก็ต้องบอกว่าโลกแล้วสินี่เราพูดถึงเรื่อง ทรรเกิดเป็นเช่นนั้นผู้ไม่ปฏิบัติจะไปรู้เรื่องอะไรว่าทําเกิดทําไม่เกิดแม้แต่กิเลตเกิดเต็มหัวใจมันยังไม่รู้มันจะเอาธรรมมาอวดได้ยังไงว่าทําเกิดทําไม่เกิดน่ะต้องผู้ปฏิบัติทำเท่านั้นตามเพียงเรียนรู้เฉยๆก็ไม่สามารถมันได้แต่ความจําไม่เรียนในพระไตรปิฎกก็เอาทีเรียนพระสุตตันตปิฎกก็เป็นความจำในสุตตันตปิฎก ในวินปีโดก็เป็นความจำในวินัอปีพดอภิธรรมปีโดก็เป็นความจำล้วนๆถึงจะยอดทําขนาดไหนมันก็เป็นยอดทํามแต่เป็นความจําอย่ดีๆไม่เป็นมากเป็นผลเป็นสมบัติของตนได้เลยเพราะมันเป็นความจำตอนเมื่อได้พูดปฏิบัติตัวเมื่อไหร่แล้วนั่นแหละยิงจะเป็นของจริงขึ้นมาเป็นสมบัติของตนโดยแท้ไม่ว่าจะเป็นพระสูตรพระวินัยพระปรมัติหัวใจนทรงไม้หมดแล้วด้วยความจริงนั่นหมานถึงจริงการปฏิบัติธรรม ต้องเอ้าจรเอาจังเลยจรไม่จังไม่รู้นะเหลางานในโลกนี้งานไหนก็เถอะอใครได้ประกอบงานอะไรก็ตามถ้ายังไม่ได้ย้อนเข้ามาสู่งานจิฐตภาวนาซะก่อนยังไม่ทราบว่า ง, งานอะไรหนักกว่ากันพอได้ก้าเข้ามาสู่ยิฐตภาวนาท่านแล้นี่ละงานรอดตายงานเด่นตายหรือว่ตายท่านรู้ในสมัยปัจจุบันของเหล่านี้ส่วนมากมักจะเป็นทุกข์ขาปฏิปทาท่านทาถิญญา มันเราถ้าเป็นผลอะมา ก, ก็เป็นรุ่นที่สองที่สามมารุ่นหนึ่งรุ่นแรกก็พวกอุกติจันยูวิปจิตันอยู่ท่านผู้ที่ออกแนวหน้าถ้าเป็นวัวก็อยู่ปาก ค, ครอกแล้วพอพระองค์ประกาศศาสนาธรรมเท่านั้นก็แจมเลยแจ้งเลยเหมือนกับเปิดประตูครอบท่านเหล่านี้จะออกถ้าเป็นงัวก็ออกก่อนก่อนเพื่อนก่อนเพื่อนอุกติตันอยู่วิปจิตวิปจิตันอยู่ลังไหลออกมาก่อนนี่ประเภทที่ว่าบัวพุนน้ํา บัวผิวน้ําบัวพ้นน้ําเป็นอย่างนั้นพวกเราเนี่ขอจะให้เป็นบัวใต้น้ํอาอ่ะเป็นบัวอยู่ที่พร้อมที่จะพ้นได้เหมือนกันในวันต่อไปวันต่อไปด้วยความวุสาพยายามของพวกเราเนีย่ยเป็นลดละความภาพเปลี่ยนก็ต้องรู้ต้องเห็นต้องได้เหมือนกันแต่ยากหรือง่ายก็ตามให้ให้ให้เข้าใจทําความเข้าใจกับตนเองว่าสมบัติ หรือนิสัยวาสนากรรมเป็นของแต่ละคนละกฎถ้าจะเทียวก็นาของเราทำยากเราจะไปทำนาคนอื่นที่เห็นว่าง่ายกว่าเราไม่ได้จะยากหรือง่ายก็คือนาของเราเราต้องทำสวนของเราเราต้องทำงามหรือไม่งามดีหรือไม่ดีพื้นที่ของมันมันก็เป็นของเราเราก็ต้องจำยอมต้องจายอมทาดท้วยดีอันนี้นิสัยวาสนาของเรา มันจะควรหนักก็ต้องยอมรับมันหนักเบาขนาดไหนก็รู้หนักขนาดไหนก็รู้มันเป็นมากเป็นตอ น, นผ่านไปผ่านไปเหมือนกับเราเดินทางไปผ่นานที่สูงที่ต่ำที่รุ่งที่ดอนไปเรื่อยๆที่ราบตื้นดีงามก็มีที่คุกคักก็มีนี่การดําเนิน ป, ปฏิปทาก็เหมือนกันเช่นนั้นถึงเวลาที่มันยุ่งยากมันลําบากก็แทบเป็นแทบตายมันก็มีแต่ส่วนมากมักเป็นเช่นนั้นลําบาก ลำบากที่ยังไม่รู้ไม่เห็นอะไรนี่เป็นลำบากประเภทหนึ่งคือยังไม่มีต้นทุนปรากฏเป็นเครื่องดูดดื่มภายใน จ, จิตใจให้อบอุ่นภายในจิตใจว่าเจ้าของได้มีสมบัติอย่างนั้นอย่างนั้นมีคือทำมาสมบัติภายใน จ, จิตใจไม่ปรากฏเนี่สําคัญแล้วก็ตะเกียกบตะกายเพราะอยากได้อยากรู้อยากเห็นอันนี้ลำบากประเภทหนึ่งพอได้เหตุได้ผลขึ้นไปพอประมาณได้หลักได้เกณฑ์เรีกว่าเป็นสมบัติ ของตนขึ้นมาบ้างแล้วนี่ก็เป็นทุกประเภทหนึง่งแต่ทุกเหล่านี้ต่อไปต่อไปก็เป็นเหตุให้ความบังมันหนักเ ป, น เ, เป็นเครื่องดึงดูดเป็นเครื่องฉุดลากไปความลาบากลาบนอะไรไม่ค่อยได้คิดะยากลาบากขนาดไหนก็ไม่ค่อยสนใจมีแต่ความมุ่งมั่นที่จะถึงจุดหมายปลายทางและยิ่งความภาคเพียรได้หนักแน่นหรือจิตใจมีความแน่นหนามันคงมีความเฉลียวฉลาดมากเท่าเท่าไหร่แล้วจนกลายถึงเป็น อภาวนาเมย์ปัญญาไปแล้วนั่นแหละทีน่นี่หมุนติวต้วติว้วติ้วยากลําบากขนาดไหนก็รู้แต่ไม่ถอยนี่อันหนึ่งนี่มันมีหวังอันนี้ผลมันมีอยู่แล้วภายในใจอันที่ยังไม่มีผลยังไม่ปรากฏนั่นสิถึงปรากฏมาบ้างก็ถูกลบล้างจากฝ่ายอธรรมเสียฝ่าอาธรรมเสียนี่อันนี้อันหนึ่งก็ลําบากี่พากันทราบเอาไว้ผู้ปฏิบัติ เมื่อสรุปแล้วงานกิตตภาวนางานค่ากิเลสนี่แหละเป็นงานที่หนักมากที่สุดต้องใช้สติปัญญาต้องใช้กำลังวังชาไม่ใช่ไม่ใช้นะเช่นนั่งอานั่งสิจนก้นพองไม่ใช้ไม่ใช้กำลังยังไงไม่ใช้ทางร่างกายยังไงเดินยยงกลมจนขากับเหยี่บงไงมันอ่อนมันเพียร์แนะล้วนแล้วแต่ได้ใช้กาลังทั้งนั้น ขาจะจะดนเดินกระเพกกระเพกมันอ่อนไปหมดนะนมันเหนื่อยมันเพียต้องได้หยุดนี่นั่งก็จนก้นพ่องมันไม่ยากอะไรยังไงอย่างนั้นในทางะทางร่างกายนี่ทางจิตใจก็ต้องถูกบังคับบัญชาเพราะกิเลสมันก็บังคับหัวใจเราจะให้เป็นไปทางแนวทางของมันไอเราก็บังคับที่จะให้เป็นไปในทางของธรรมต่างฝ่ายต่างสู้กันนี่ก็หนัก บางครั้งถึงจะเกิดความโกรธสังเวชถึงน้ําตาล่วงมีผมไปเป็นมาทั้งนั้นนะไม่ได้ไม่ได้พูดเฉยๆนะเคยเป็นแล้วเป็นถึงขนาดที่น้ําตาล่วงก็มีบา<ะ>งทีก็ถูกกิเลสแย่เอาแก้หมัดของกิเลสไม่ตกเราต้องแพ้เนี่ยแล้วอุบายอะไรที่จะแก้หมัดของกิเลสให้ตกไปนั่นเราต้องได้ค้นมาอาจนได้จนชนะไปได้แล้วผ่านไปได้ผ่านไปได้ไปไดเป็นเป็นเปล่าเป็นเปล่าไป หรือเป็นระยะระยะไปนี่การปฏิบัติแล้วแตทุกข์ยากขนาดไหนก็ช่างเถอะเพียงทุกข์ในธาตุในขันแล้วทุกข์มีผลมีประโยชน์มีธรรมวชฌมัิเป็นฌมัดของเรานี่ยทุกข์กระทุกจอมทุกเถอะไอ้ทุกข์อยู่ในวัฏฏะสงสารหาประมาณหาเขตหาแดนหาขอบหาเขตหาเหตุหาฝนาาไม่ได้หาต้นหาปลายไม่ได้นี่ที่มันทุกข์ยากมันลําบากจริงๆฮิตแต่และดวงแล้ดวงนี้ มันน้อยเมื่อายเรื่องการเกิดแก่เก็บตายในวัฏสงสารนี่ในสามแดนโลกธาตุนี้โลกไหนเราไม่ไปเกิดมีไหนไม่มีจิตตรงนี้จะไม่ไปเกิดในทามะพลรูปุรูบุอันวนบุโรกก็ดีสวครรครูบุโคัูบครูบุครูบุุ น, น<ะ>ไปเยุโครูบู่นีคเพราะอํานาจแห่งบุโครบุญที่มีมากมีน้อยมุนเวนูบุโครูุุรียนโครูบุโครับุโคคัูบุคอคอืูบุโครูบ เชื่อของความเกิดได้แก่อวิชชานี้สําคัญมากทีเดียวตัวนี้ตัวพาสั์ให้เกิดฝังอยู่ภายใน จ, จิตใจอย่างแนบสนิทนี่ยสําคัญมากท่านอวิชชาปฏิยาสร้างข้าลา่ะนั่นสิทางสิอวิชชาปฏิยาชาติอวิชชาปฏิยาพาโม ล, ลงไปนั่นเลยอย่าไปต่อไปกิริยานั้นกิริยานี้ต่อกันไปเถอะลงตรงนี้เลยอวิชชาแลี่ลยพาให้สร้างภพสร้างชาติว่างั้น แล้วก็ชาติพิรค้าชราพิรุขามาทำสังไปเลยต่ อ, ต, อต่อไปนี่เองอ่ะไม่ใช่อะไรอ๋อพิจารณานักปฏิบัติไม่ไม่รู้อวิชชาแล้วจะไม่เห็นความแจ้งชัดใ น, ในใจิตใจแล้วจะตัดสินโดยตัวเองไม่ได้ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดดีครับแล้วเราก็จ ะ, ะเกิดในภพได้ชาติได้ตัดสินไม่ได้ต้องเอานะ้าภาคปฏิบัติเข้าไปจับมันสิมันจะทราบมาัตั้งแต่เริ่มปัญญาเนี่ยแม้ตั้งแต่เพียงจิตเป็นสมาธิจิตก็รู้ตัว ว่านี้คือจิตนั่นคือธาตุคือขันคือรูปคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือจิตคอทราบพอเริ่มทราบพอถึงขั้นปัญญาแล้วทราบได้ชัดว่านี้คือรูปนี่คือเวทนานี่คือสัญญานี่คือสังขานี่คือวิญญาณเป็นเป็นส่วนหนึ่งนอกไปจากจิตทราบไปโดยชัดเจนจนกระทั่งถึงปัญญาขั้นละเอียดแล้วทราบหมดนะรูปก็ทราบปล่อยได้ด้วยนี่เวทนาของทางกายก็ทราบ หลักปัดทิ้งได้ด้วยอืมสัญญาสังขารวิญญาณที่มีความสําคัญมันหมายความปรุงความแจงของจิตก็ทราบอืมเป็นวักเป็นตอนไม่ได้ยึดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีเดียวกับรูปเท่าได้เนี่ยรท่านยังส่วนที่ยังเหลือก็คือเวทนาละเอียดที่มันฝังอยู่ภายในจิตมันยังถอนไม่ได้ท่านว่าสุขเวทนาเมื่อสุขเวทนามีทุกเวทนาก็ต้องมีมีอยู่ภายในจิตที่ละเอียดนั่นแหละพระวิชามีนั่นแหะบอแห่ง สุขเวทนาดุขเวทนามันอยู่ในอวิชา น, นั่นแหละถอดวิชาไปเปื้อเดียวเท่านั้นหมดเรื่องเวทนาหายหน้าไปหมดไม่ต้องไปหาดูพระไกรปิฎกก็ได้ดูในหัวใจเจ้ า, ยายของนี่รู้ชัดเจนพระเจ้ชาชีช้ลงมาที่นี่อืมตัฐตาตถาพิปัสติฉันวางไงเอหิปัจจิกโกอีปัจจโ ก, โกความจริงทั้งหลายท้าทายอยู่ในองค์สัจธรรมนี้ดูลงตรงนี้ทีเรื่องของ จ, จิตใจถ้าติปัญญาอย่างปบ น, นี้ทําไมจะไม่ทราบเมื่อวิชาพังลงไปเท่านั้นแ่ะพบชาตทิทราบหมด เกิดความสร ด, ดสังเวชน้ําตาล่วงเหมือนกันหายก็เถอะมาล ง, งมาถึงขั้นนี้แล้วอืมอกับพุทธเจ้ากับตรงน้ําน้ำพระเนตรล่วงนั่นเห็นไหมท่า น, นพูดถึงตรงธรรมะสังเวชท่านพูดทิฏฐิยาของขันธ์กระเพื่อมกระเพื่อมกระเพื่อมรับในเวลาจิตได้หลุดพ้นพออวิชชากระเด็นออกจากใจท่านั้น ไม่เคยเห็นก็ตามมันจะทราบทั้งความอัศจรรย์ไม่เคยอัศจรรย์ก็เห็นแล้วทีนี้ขาดสะบันไปจากกันนี่คือจิตพ้นแล้วจากโทษพ้นแล้วจากบ่อนความเกิดตายทั้งหลายในภพน้อยภพใหญ่ภพไหนก็ตามจํมาได้ไม่ได้ประมวลเข้ามาสู่อวิชชาพาให้เป็นทั้งนั้นน่ะมันรู้ได้ชัดขนาดนั้นนะทีนี้พออวิชชาพูดภาษาให้มันเต็มปากงเลววาว่าอวิชชาตายพออวิชชาตายเท่า น, นั้นไม่มีใครพาไปเกิดอีกแล้วต่อต่อไปนี้ไปไม่มีดูกข้างหน้าที่อาชาตจักระ เมื่อทุกไม่มีแล้วเมื่อความเกิดไม่มีแล้วทุกจะเอามาจากไหนทุกยังมีแค่ผู้ไม่เกิดท่านบอกแท้ๆอยู่แล้วนั่นแล้วอยากเกิดนักหรืออยากตายนักหรืออยากทุกข์นักหรือผู้ปฏิบัติทุกกันด้วยการลำบากทุกโดยข้อวัดปฏิบัติทุกโดยการเดินเดินอยู่กมนั่งสมาธิทุกอันนี้มีที่หมายมีจุดหมายปลายทางทุกมีความหมายทุกเพื่อความสุขท่านบอกทุกข์กษานันตะลังสุขขังสุขเกิดในลำดับแห่งทุกอันนี้จะทุกข์ตามมันเป็นความทุกข์ที่จะใหเกิดความสุขนี่ พลาดมันลงไปที่นักปฏิบัติการที่เกิดแก่เก็บตายอยู่ในภพน้อยภพใหญ่นี้มันเป็นของแน่นอนเมื่อไหร่เราจะต้องรับเพาะโดยไม่ต้องสงสัยล่ะต้องรับตลอดไปออกจากนี้ปับพร้อมเสมอที่จะเกิดถ้าเกิดในภพใดชาติไหนเราต้องมันผู้รับผิดชอบเราทั้งหมดไม่มีใครมารับผิดชอบให้เรา <S <S การสลัดปัดออกเสียซึ่งเชื้อตั้งหลายที่มันทำให้เกิดนั้นท่านเท่านั้นเราจะเป็นที่แน่ใจที่สุด ไม่ว่าจะนั่งจะนอ น, จ ะ, อนจะเดินจะเดินมันไม่มีคําว่าอาดีตอนาคตสมมติทั้งหมดขาดสะบัดลงไปพร้อมๆกันหมดที่จะคาดนู่นคาดนี้ไม่มีขอให้รู้โลกธุรกิจโลกธุรธรรมเถอะเป็นอันเดียวกันนี่แล้วเป็นพอเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านรู้ทําท่านรู้อย่างนี้นะถ้าไม่รู้เล่นๆถ้าไม่รูปแบบรูปคำค ำ, คำพอจะมาสอนศาสนารูปคำคำให้โลกทั้งหลายรูปคํำค ำ, ค ำ, คำตาไปด้วยกันนะท่านสอนด้วยความรู้แจ้งจริงจริงๆ จึงว่าโลกรวิทูโลกวิดถูรู้ทั้งโลกนอกของผู้ทั้งโลกในรอบทั้งโลกนอกรอบรอบทั้งโลกในรอบประจักษพระทัยของพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายปฏิบัติตามรู้รอบเหมือนพระพุทธเจ้าแล้วยอมรับกราบทุติเจ้าตลอดเลยนี่ศาสนานี่สร้างคนให้ได้หลุดพ้นจากกองทุกนี้มีจํานวนมากเท่าไหร่มากเท่าไหร่แต่ละครั้งละครั้งของพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้ในแดนมนุษย์นี้มีมากขนาดไหนนั่นแหะท่านเอาเอาสาวกทั้งหลายพ้นจาก นักความเป็นนักโทษความเกิดแก่เกิดตายเย็นไหมในวัฏสงสาร พ, พ, พ, พ, พ้นพ้นพ้นพ้นพู้ที่ยังไม่พ้นก็ก็แทนกันขึ้นมาแทนกันขึ้นมาเรื่อยๆหนึ่งคนมาแทนที่คนนั้นผ่านไปแล้วคนนี้เข้าแทนที่แทนที่เรื่อยอุปนิสัยก็สร้างมาทุกวันทุกปีทุกเดือนทุกพบทุกชาติในชาติที่ควรจะสร้างได้เหอนว่าเพราะพุทธศาสนาอย่างนี้ยิ่งเป็นของเยี่ยมแน่นิเราได้มาสร้างอำนาจวัฒนาบุญญาพิสม่านสร้างบรารมีี่ยิ่งเพิ่มเข้าไปบรารมีก็สูงขึ้นไปเรืเอ่อยอ้า ตอนนั้นขึ้นระดับนั้นขึ้นนี่ขึ้นขึนระดับนี้สุดท้ายก็เป็นออุคติตันยูวิปปิกิปันยูได้วันในวันหนึ่งแน่นอนไม่ต้องสงสัยที่แรกก็อยู่นู่นซะก่อนเนยยะซะก่อนขั้นต่อมาก็ก้าวขึ้นมาก้าวขึ้นมาเพราะสร้างอยู่เสมอเหมือนกับเราเท น, านา้ํำเติมอย่างเท้ไปไม่หยุดไม่ถอยมันก็เต็มขึ้นมา ม, มันได้เองอันนี้ก็สร้างอยู่ไม่หยุดถอยทำไมจะไม่เต็มเมื่อถึงขั้นแล้วเอาไว้ไม่อยู่อุคติตันยูจะเป็นใครก็ตามต้องเป็นเราได้คนหนึ่งแน่นอนด้วยการปฏิบัติขอาาขอองงงเเเรรราาาากบํ็ไม่สสัย กูก็ติดตันอยู่ก็ดีวิปปิลตันอยู่ก็ดีจะต้องเป็นสมัครของเราในวันหนึ่งแน่นอนหากว่าเราเป็นผู้ตั้งตั้งใจพุทปฏิบัติไม่ประมาทเสียเท่านั้นแหละฉันขอให้ทุกๆกท่านตั้งอกตั้งใจพุทปฏิบัติการจัดสิ่งที่เป็นค่าศึกอยู่ในหัวใจของเราทุกท่านเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนนะอย่าไปมองดูดินฝ้าอากาศว่าเป็นเพราะสิ่งนั้นเป็นเพราะสิ่งนี้มันไม่มีเป็นเพราะสิ่งอะไรแล้วเป็นเพราะทีเด็ดมันหลอกคนให้คนไปลูบคลำอยู่นู่นตะคุบตะคุบเ ง, งานึ่งไม่ได้คุกตัวมนะ่ะ น้ำตะคุ่งเงาเนี่ยนะมันหลอกออกไปนอกๆคุณอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้นั้นไม่ดีนะอันนี้ไม่ดียังงี้ติดินตีฟ้าตีลมตีแรงตีอันนั้นตีนี้ตีเขาตีลราติยุ่งไปหมดชวนที่เป็นจุดสําคัญควรจะเกาควรจะตีมันไม่ติอีให้เราเห็นจุดของมันยี่เล่มันแค่ฉลาดขนาดนั้นจึงต้องสร้างสติปัญญาให้มันทันเพราะมันแพ็ปอมารู้ทันทีรู้ทันทีมันปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาเรื่องนั้นไม่สําคัญสําคัญที่ความปรุงนี้เกิดขึ้นแล้วนี่ใครมันพูดพาให้มันเกิด ถ้าไม่อวิชาปียาสังฆาราจะเป็นอะไรเป็นสังฆาราไปวะน่ะสังฆารคือความอะไรคือความปรุงปรุงออกมาด้วยอํานาจของวิชาเนี่ยนันว่าสังขารมันก็เป็นสมุทัยสัญญาก็เป็นสมุทัยพราะวิชาเป็นตัวสมุทัยใหญ่อยู่แล้วะวิชาปียาสร้างขาลาฟังเสียงวิชาปียามีิญญาณวิชาปียาสัญญาสัญญามันก็เป็นเรื่องของสมุทัยทั้งนั้นเพราะอวิชาเป็นสมุทัยนั้นปรุงอะไรก็ตามสําคัญอะไรประทับได้ยินได้ฟังได้เห็นมันมีแต่เรื่องจะกรวัลเข้าเป็นสูตร สมุทัยทั้งหมดเมื่อสติปัญญาไม่ทันมันมันเอาไปกินหมดนั่นแหละตอเมื่อสติปัญญาได้ทันเท่านั้นอ้าวที่นี่มันจะปรุงเรื่องอะไรสัมผัสเรื่องอะไรปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาอะไรสําคัญนั้นหมายอะไรมันจะทันกันพับพับพๆบเป็นขึ้นมาในหัวใจที่เองของผู้ตําเพ็ญตุลนี่คือเร่าสติปัญญาอัตนมัติสติปัญญาอย่างเครียงกายหรือว่าสติมหาปัญญาหาที่ไหนหาในแบบเป็นแบบหาในตนตนเป็นตรนตตลาเป็นความจดความจําไม่ใช่ความจริงหาในหัวใจของเราสิ นักปฏิบัติจะได้เห็นความจริงพังในจิตใจนี่เห็นนี่แล้วมันหายสงสัยทุกอย่างนั่นแหละโลกมันจะกว้างขนาดไหนก็ตามมันไม่มีปัญหาอะไรเลยตัวปัญหากินก็คือตัวกิเลสตัวสมุทัยนะั่นแหะตัวสร้างปัญหาให้เราหลงโลหล ง, ลงสารให้แล้วรับความทุกข์ความยากความลําบากไม่มีวันจืดจางหลงกิเลสตัณหาหลงไม่มีวันจืดจางไม่มีวันเบื่ออิ่มพอเลยนะนี่มีกีเลสเท่านั้นแนหะมันหลอกเราเมื่อพังอันนี้ลงไปแล้วอะไรจะมาหลอก อยู่ไหนอยู่ได้หมดสมบายได้หมดจะเป็นจะตายก็รู้แล้วว่าเรื่องธาตุเรื่องขันเออมันสลายแล้วแล้วมันไปไหนตั้งแต่มันยังไม่สลายก็รู้อยู่แล้วว่านี่คือธาตุดินนี่ล่ะคือธาตุน้ํานั่นธาตุลมธาตุไฟนี่คือวิญญาณนี่คือสังขารมันแยบๆยบตามกิริยาของสมุตมันก็แสดงของมันไปอย่างนั้นจะว่าอย่างไงธรรมชาติที่บริสุทธิ์แล้วมันขึ้นกับอะไรมันไม่ได้ขึ้นกับสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นอาการเป็นอย่างนี้เป็นสมุติเมื่อถึงขั้นที่บริสุทธิ์แล้วมันมีปัญหาอะไรดวงจิต ก็มีแต่เรื่องท่านเรื่งขันที่ยิบแย้ยิ้ย้มไปตามสภาพของตนเมื่อถึงการเวลาแล้วมันก็พังไปตามเรื่องของมันสงสัยไปไหนตั้งแต่ยังไม่ตายก็รู้กุนอยู่แล้วตายแล้วจะหลงไปไหนนักปฎิมาต์นักรู้ต้องรู้อย่างนั้นสิพระเจ้าถึงวันรู้ออมันจริงมันจังเราพูดถึงเรื่องขันนะเอาที่นี้ย้อนเข้ามาอขันเหล่านี้ เวลาพักเป็นยังไงธรรมะธรมปกติธรรมดาขันนี้จะต้องแสดงกา ร, รยิบยับยิบยับอยู่อย่างนั้นเหมือนหางกิ่งเหลนหนั่นดูหางกิ่งเหลนขาดกัแล้วกันมันจะดุดิ๊กดุกดิกด๊กมันมันอยู่เฉยไม่ได้ตามหลักธรรมชาติของมันแต่ถ้าอาวิชชาเป็นตัวการอยู่แล้วมันมันมีเจ้าของนั้น น, น่ะ น, นะปรุงอะไรไปเรื่องเป็นเป็นเรื่องของสมุทัยทั้งหมดทีนี้พออวิชชามันดับไปแล้วทําเป็นเจ้าของรำมาหยุดนี่นั่น จิตที่บริสุทธิ์แล้วเป็นเจ้าของเจ้าเจ้าคำว่าเจ้าของเจ้าขอ ง, ขอ ง, ของก็ว่าสมมติโดยเฉยนะไม่ได้ไปยึดว่าเป็นเจ้าของคือเอามาใช้เพราะอันนี้เป็นเครื่องมือของกิเลสเป็นสมบัติของกิเลสมาโดยหรือเป็นสมบัติของวัด ต, ตักกดจิตวัดของวัดวัดตัดสงสารนี่แหละวัด ต, ตขันพูดง่ายๆอ้าวเพราะจิตได้ผ่านไปแล้วจิตได้หลุดพ้นแล้วกิเลสพังลงไปแล้วเอานี่มาใช้แทนมาใช้แทนกิเลสเท่านั้นเองไม่ได้ถือแต่เราพูดให้มัน มันพอเป็นความเหมาะสมพ อ, อสมุดีงาน ม, มันก็เรียกว่าทาเป็นเจ้าของไม่ได้ยึดเหมือนกิเลสเป็นเจ้าของแล้วเอานี่มาใช้ก็รู้มันอยู่อย่างนี้อย่าห่างเลทีนี้เวลาเราพักอ่ะเวลาจิตภาคราติปัญฐานย่างไงมันสงบตัวลงไปก็ปกติมันก็สงบเนิงสังขารความคิดดับสัญญาความหมายดับอ ะ, อะไรๆมันก็ดับ เหลือตั้งแต่ความรู้ความรู้นี่พูดไม่ได้นะเพี<อ>ยงเพียงที่ว่ายังไม่สิ้นชีพยังมีชีวิตอยู่ก็ตามในขณะที่จิตพักขันเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงกับขันนี้ไม่ได้ธรรมชาตินั้นก็พูดไม่ได้นั่ น, รรนทํามมจงเป็นอย่างนั้นสั่งสิพูดไม่ได้เลยขนาดนั้นความละเอียดขนาดไหนมันพูดไม่ออกนั่นเวลาหยุดพักไม่เกี่ยวกับท่ากับขันเลยหลักธรรมชาติความจริงอันรให้อยู่ตามธรรมชาติความจริงของตน ขันตึงกัเลยไม่ดิน้นนี่หยุดจิตนั่นเป็นยังไงถ้าว่ารู้มันก็รอบโลกกระท่าหนึ่จะหมดถ้าว่ารู้ครอบไปหมดเลยอถ้าว่าไม่มีไม่มีอะไรเลยหรือมิดคือสักถ้าวะรู้เท่านั้นนถ้าไปะจะแยบออกมาพูดนะแต่ท่านไม่แยบท่านขี้เจียจแยบแยกมาพูดทําไมเรื่องของท่านนี่คงไมไ่เกี่ยวกับผู้ใดแล้วท่านไม่จำเป็นจะเอามาพูดล่ะ อะไรท่างรุ่งท่านอยู่เต็มหัวใจแล้วมีปัญหาอะไรอยังพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกองค์ท่านเข้านิโรธสมาบัติถ้านั้นท่านเข้าอย่างนั้นแหละพักขันหมดเลยอันนี้ก็เป็นสมมติทั้งหมดนะคิดดูจนกระทั่งถึงสัญญาเวทยิตานิโรธที่พุทธเจ้าทรงเข้าสมาบัติแล้วจะจนถึงสัญญาเวทยยตานิโรธนี่ก็เป็นสมมุติพระจิตนั่นเป็นเป็นจิมุตดแล้วอันนี้เป็นสมมุติเข้าไปก็เข้าไปอย่างนั้นระยาระยะแล้วผ่านผ่า น, านหาย หายออกจากขันฝังงูนี่ไปเลยจากนั้นพูดไม่ได้ถึงไม่ศูนย์ก็พูดไม่ได้ไม่มีอะไรพาดพิงพอที่จะพูดว่าเสด็จตรงนั้นเสด็จตรงนี้ น, ะนี่นะเรื่องขันกัปปิที่บริสุทธิ์เป็นเช่นนั้นเอาค่ะมันเห็นที่เราเป็นยังไงพระเจ้าแสดงไว้สดสดร้อนร้อนเหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้าเรานะแล้วอ่านตำหนักตำํำราอ่านแบบแผนฉบับใดก็ตามเรื่องใดก็ตามเรื่องทุกเรื่องสมุทยัยลิ้โหดมาก เหมือนพระพุทธเจ้าประทานพระอวจัจน์เราอยู่ตลอดเวลากลงวานอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยพระพุทธเจ้านิพพานไปที่ไหนนี่แหละเรื่องธรรมกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคื อ, อธรรมองค์พระสารีล้านั้นเป็นอันหนึ่งเรื่องธาตุเรื่องขันเรายกเอามาพูดอันนั้นเรือนร่างของพระพุทธเจ้าคือธาตุขันอันนั้นจะไหลลงไปกายไก็จะไหแต่ธรรมชาติที่เป็นพุทธะแท้คืออะไรนั่นสิพุทธะแท้คือธรรม แล้วธรรที่เรารู้อยู่เวลานี้เราปฏิบัติอยู่เวลานี้กับธรรมที่พระเจ้าตรัสเห็นเป็นยังไงมันเกี่ยวโยงกันอยู่นี่พอทราบนี่ภาพก็ยอมรับทันทียอมรับทันทีอยู่ตรงนั้นไม่อยู่ตรงไหนหนี่นะท่านีึงว่าอาการกิีโกอาการทโกคืออะไรอาการกที่กระติดอาการกที่กระมำนั่นเองมีการมีสมัยที่ไหนจิตทำมีการมีสมัยที่ไหนเมื่อเป็นอันหนึ่งเดียวกันแล้ว <alguns S 2> นั่นขนะอให้ทุกท่านตั้งใจไว้ก็จะว่าละตอนนี้รู้สึกหน่อยแล้ว ประมาณจะเป็นทีเ น, นี่ยมันอยู่นั้นมันเข้มข้นมากนะมันจะเทศ เ, เบาๆเทศธรรมดาไปทําไมมันเป็นงั้นอยู่ขามามากไปแล้วมัน <c oughs> มันเป็นบ้าไปเลยว่างั้ น, นมันไม่ถึงใจนี่ะมันไปมันล้ําไปเลยดังนั้นมันก็เป็นมันถึงใจว่าอะไรงั้นเลยที่ผ่านมานี้ไม่มีศาสนาใดนะที่พูดได้ถูกต้องแม่นยากับความจริงของจิตของเชื่อของจิตนี่ เหมือน้ศาสนาเนีต้องแม่นยำหาดีข้ามไปเลยครูที่เจ้าอนาัยชาปัิยาสางข้พูดงวิชาปัญญาสร้างข้าวท่นะนำาเียเนียงี่ยงไม่กินมึงหมได้หรกูจะเที่มึงไมกินไปมึงจะกินเราไปไปซะไปซะ แล้วมาว่ากันีเฉยอวิชชาปยาสร้างกนายอย่เนยมันก็เหมือนนกขุนทองไงมันไม่ได้เข้าใจอะไรเลยวิชาปยาสร้งางฆราสร้างกระลาปยาวิญญาณ ว, วิญญาปิยานามหลวงปังเรื่อยเยไปจนกระทั่งถึงสมุทรโยโหติมันก็เหมือนนกขุนทองเราสวดแล้วว่าไปทั้งทั้งที่การปฏิบัติยังไม่มเห็นวิเวร ว, วิเวรือร่องรอยมันบ้างเลยและ ไม่รู้ตัวมันแล้วค่าตัวมันได้เลยไม่จะไม่เข้าใจ <c oughs> นั่นะมันสุดวิสัยสุดวิสัสสสสยอย่างนี้เองอุปภูมิของเรามันปัญญาของเราสติของเราไม่พอกับที่จะรู้อย่างที่ท่านว่านี้สวก็สวดไปอย่างนั้น่ะเหมือนไม่ขุ น, นขอทองแล้วนี่หมายไปกับหมายไปอย่างนั้นหมายไปไม่ได้เข้าความจริงเลยไมเข้าสู่ความจริงอะไรเลย เพราะธรรมที่ท่านกล่าวที่ ท, ท, ท, ที่ที่ท่านจะลึกวันนี้ท่านรู้นี่เป็นธรรมที่ท่านรู้ขึ้นมารู้ขึ้นมาแล้วมาพูดจากความรู้ขึ้นมานั้ น, นเรามีจะไปไปท่องจาออกมาท่องจำออกมามันมันไม่ได้ทรงความจริงเอาไว้มันถึงไม่รู้พอจิตได้เข้าสู่ความจริงของอวิชชาปยาสังขารได้เท่านั้นมันกระจายไปหมดเลย เริ่มมาตั้งแต่ตั้งแต่อืที่มันชัดกันเริ่มปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาอรูปประคันของเราไม่ต้องมารูปประคันภายนอกรูปภายนอกแล้วดูปลูกของเราแล้มันพร้อมมันแล้วมันปล่อยมันรู้เลยตัวมันเองธรรมชาติทั้งขางสีมันยืดแยบอยญาติพันธ์กินมันเกิดนี่มันก็ ยี่ยบยพอกับเพื่อมกับเพื่อมก็ดับไปพรอมดับไปครอในระยะนั้นมันก็มีฐานอันหนึ่งเป็นที่รองรับของขันอันนี้ของสังขารขันสัญญาขันด้วยวิญญาณขันมันมีฐานอันหนึงเหมือนกับมันมันอยู่ปากครอบอวิชามันคอบจิตไว้ด้วยความปองใสของมัน ความสง่างามของมันอวิชามันจะเล่นหืมมันสง่างามมากเทียวเออาเราคาดเราคาดเป็นเสือโคร่งเสือดาวเราคาดอวิชาเป็นยักษ์เป็นผีนี่เราเคยเขียนไปแล้เหมือนกันแต่เวลาไปเจออวิชากันจริงเนี่ยเราไม่ทราบเลยสินั่นเพราะอะไรเพราะมันผิดความค า, มาดความหมายความคาดความหมายไม่ใช่ความจริงความเจอต่างหากเป็นความจริงแล้วไปเจอแล้วยังมารู้อวิชา หากเตอร์มีความสวยงามความอัศจรรย์ความงาาสง่างลาดีความผองใสพูดง่าว่าสง่างา ม, งา ม, มางอย่างนี้นั่นมันมีฐานรับแต่ทีนี้นี่มันมันก็แยกออกมามันกระดับเพราะมันตัดกันตัดขาดจากกันอวิชชากับชัญญาสังขาร น, นีมน่มันขาดจากกัน มันยังเหลืออวิชาล้วนอาการแบบนี้มันขาดไปมันรู้ชัดๆนะครับถึงจะมีฐานของมันเป็นที่รับรองกันอยู่ก็ตามมันแยกออกมาจากนั่นก็ตามนะแต่มันไม่ใช่อันนั้นเนี่ยมันก็รู้ได้ชัดๆนะเฮ้ยพอธรรมชาตินั้นที่ว่าสิ่งที่สง่างามนั้นห่ะมันพังไปแล้วนียอันที่มันครอบไว้นั่นที่อันที่ถูกครอบนั้นอันถูกมันครอบไว้นั่นคือมันเป็นยังไง หมืนฟ้าดินถล่มหรือว่าไงความมันขาาจากกันแล้วแม่อาจารย์เนกนิโลกเกินสารจะจะเป็นอะไรธรรมชาติ น, นี้นี่ที่ท่านพูดถึงเรื่องโอภาษอะไร1ิบหกมันก็อยู่นี่อยู่ในวงอวิชาาไปถึงนั้นว่าแสงสว่างอะไรละสันวาไปนี่พอ อันั้นมันขาดจากกันหมดแล้งมันไม่มีอะไรเลยเรื่องพบเรืองชาติมันมันก็รู้หมดเลยเป็นประจากอะไรเป็นต้นเหตุเป็นความสืบต่อเป็นความจุดความดึงให้จิตตรงนี้ไปคืออะไรเนี่ยือทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะมันจะไปหนีได้ไงมันจะไม่พูดว่าอภิชาปยาจะไปว่าอะไรก็มันเห็นจะชัดอย่างนี้เนี่ยก็มีเท่านี้แนะแต่นมันชาติขนาดนั้นน่ะ แต่มีอะไรไใช่ไหมใช่แอนนี่กิจที่บริสุทธิ์ล้วนแล้วไม่มีอะไรดูดนี่อืมเรียกได้ว่าอากาศของกิจของธรรมมันไม่มีอะไรดูดมันหมดความดึงดูดแล้วลึกลํามากนะถ้าทั้งวันลึกลำกว่าลึกลํามากจริงๆทั้งทั้งที่ได้ยินกันอยู่รู้กันอยู่อย่างนี้แหละว่าอวิชาปยาสั้งกาา้งก า, าวลาสร้างเวลาสวดนี้ ก็เหมือนจะมาให้เด็กอนุบาลมาท่องหลักวิชาของปิญญาเดกนั่นเนี่ยมันก็เหมือนกันมาท่องเขาก็ท่องเฉยมันก็ไม่รู้เรื่องเอนรู้อะไรอันนี้ก็หลักวิชาแล้วเนี่ยอวิชาปัญญาสังการันต์หลักวิชาของมัตจักรวัตถิกท่องเฉยมันก็ไม่รู้มันไม่รู้มันท่องเฉยยองพวกเราท่องท่องเฉยไม่รู้ นุ่ภาพปฏิบัติเต็งงัดง้างขึ้นขูดขึ้นมามันถึงรู้ที่นี่ไม่ท่องก็รู้ทีงพอรู้แล้วอพราะอย่างนี้เองนั่นไม่ยอมพระเจ้ายอมจ ะ, จะยอมใครใครผู้บอกไว้ในตรเนี้ยใครผู้คีดแจ้งไว้ในเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านนั้นเป็นผู้ทรงทราบอย่างละเอียดทั้งหมดระยะนี้คนก็นมากขึ้นด้วยนะ ผมก็เหนื่อยตอนชาก็ได้พูดทุกวันทุวันมือชา่ก็พูดบ้างเล็กน้อยแต่มันก็เข้มข้นทําให้เหนื่อยได้เนี่ยสามวันติดกันเลยไม่พูดทุกวันแล้วคนนิ่งมากขึ้นโดยลําดับลำดาก็ไม่ว่าเขาว่าเราแล้วใครก็มีหัวใจมันก็รู้เมื่อก่อนก็มีครูบาอาจารย์ทั้งหลายาลที่เคารพนับถือที่เพิ่งเป็นเพิ่งตายมีอยู่หลายองค์ ก็แบ่งมันนุ้นนี้เป็นน้ำไหลบ่าไป ก, กว้างขวางถะไรนั่งกระสะดวกสบายในการบําเพ็ญอันนี้ก็ร่วงไปร่วงไปร่วงไปอืมเราจะแม้จะตัวเท่าหนูก็ตามมันก็ทนที่เขาจะม า, าหาไม่ได้เขาต้องมาของเขาอยู่นั่น น, ะนี่แหละเรื่องเราก็รู้นี่ทำไงการนําทําออกแสดงที่จะให้คนเข้าออเข้าใจตามหลักคอนจริตนี่ทวนหลักคนกรีนนั้น ผมยอมรับว่าจะมีผู้รู้อยู่ไม่น้อยเหมือนกันหลักควาจริงจากการปฏิบัติในธรรมทั้งหลายนี่ก็คือพระกรรมฐานอนั่นแหละแต่การที่จะนําทําออกให้เหมาะสมกับขั้นภูมิหรือสมมติยมงท่านวันลนะการละเทสานั่นมันนําออกอยากเหมือนกันนะยินํามาใช้ก็มาเกี่ยวข้องในนะับประโยชน์ตามความมุ่งหมายของตน มันลบากอะไรเหมืกั น, กนอาายท่านไปพูดไว้ในทำมีหลายประเภทซุไข่าุไขยปัาตโกมีพระอหารมีสี่ประเภทท่านว่าซุขไขปัตโกเตวิชโชชลาปิอยูปิษัสนายจตุปิษัสนิทัป ป, ปตโตมีสี่ประเภทความว่ตถุเหมือนกันแต่อาการของพรหันมีสี่ไม่ยัง ยี่แยกแย่ทำออกมาทําประโยชน์ให้โลกเนี่ยมันลําบากเหมือนกันจรงมีอยู่สามสี่ประเภทที่ว่าอันล้านที่ที่จะทําประโยชน์ให้โลกได้มากอืมีประเภทไหนบ้างไหนบ้างไหนบ้างมีไงอืมเจตุวิสเ จ, จตุวิสท่านปาริชาตเจตุวิสัมพิทายานเนี่ยผู้ที่ มันรู้ปริษฐนวิทยาการทำประโยชน์ในโลกได้มากแตกฉานก็เปรียบเทียบเหตุผลอะไรในพร้อมหมดอย่นเงนีกว่าแตกฉานมันกคูไปกับแค่ท่ทนทานเท่เนั้นนี่ควรจะรับประโยชน์นี้นกับไม่ได้ถ้าที่ควรยังเป็นยังน้นเรื่องมัน ในวงกรถมฐานสายพระแม่หูจันนี้ก็ผมนี่แล้วเป็นทู้จะขนองปากกับเพื่อนดูดูจะขนองปากกับเพื่อนหนักมากเทตจนะว่าการก็มากเทเดทุกสังคมเลยนั่นหนังสือก็มากนั่นออกเป็นเทป ก, กว่ามากครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านไม่กีนะ่ร่ะ เราเนี่ยขนอนมืองขนอนปากกว่าอาจารย์ทั้งหลายทุกวันนี้มันมันหดเข้ามามากแล้นะไม่หับไปยังไงมันนเป็นทั้งวันเองนะรู้เจ้าของนี่แหละมันหดเข้ามาหดเข้ามไม่เล่นกับอะไรอะไรแล้นะมันเบื่อเบือเลยถ้าจะว่าเบื่อมันก็เบื่อเบ่อไปหมดความสงสารนิยบยอมรับว่าสงสารแต่อี เครื่องมือขอเราที่จะถนองความสงสารนั้นพี่มันไม่อํานวยมันอ่อนมันเพียมันอยู่ตามลําพังจะของไปอย่างนั้นมันพอเหมาะพอดีนะวันหนึ่งวันหนึ่งผมอยู่ด้วยลาพังผมเฉะนั้นผมเหมาะมันยากจะยุ่งกับอะไรไม่อยากใครมายุ่งมันพอเหมาะพอดีก้อนหนักความเบามันก็ได้ดูกันหนูดูกันอยู่ตามลําพัง มันก็ไม่มนม้นที่จะยุ่งจนได้หรอกเขาก็มาในเจตนาหนึ่งของเขาเนี่ยแล้วมายุ่งมาเกี่ยวเราแม้จะยินธรรมะจ่เห็นมันยังลุ่มอ่ะแล้วมันไม่จะคุยอยาพูดกับใครหรืไปตามเรื่องของธรรมะธรรมะทีก็ไปจะวางเอาพระจองหองไปก็ได้เ๋็นเราไม่จองหองมันเป็นยินธานในขันให้รู้เรื่องของเรานะไม่อยากยุ่งกับใครนี่ภาวนาขงเราไปเลย กลางคืนนี่ผมเราก็พักท้องเหล่าคืนพักผิดท้องเราสบายสบายงคืนพักทั้งสองนสองขน ม, ม, ม, มากมันไม่มีอะไรมากจะเป็นสองขนพองหนาสบายอกกับขีมาแล้วเหยีดยดเ้าไป ยังจะฟังเทปกต่ฟังแะไม่ฟังเลยนั่งอยู่แช่งอยูอย่ายายาขาจะมาอารมณ์นันก็เข้าภาวนาอีกตะกี้เลยนะอะไรนะครับงนั้นมันพอดีพอดีพอดีอดุ่นเดี๋ยวไปละอุ่นเอาไปแ้างมุ้ยเทปไปแล้วนี่อุ่นเดี๋ยวไปละอุ่นที่ไหนไวะ วันไปแล้วว่าปุ่นปมันแทะขาวันว่ายน่นปุไอ้อจรวดไปไนอนี่ะไเที่ไอจรวดนาไปไหนเขาด้ห้องดิโออืมต้องไปจเลิกกันเอาตนี้